จเจริญพท่านสาธุชนพุทธบารสัทตุบาโสภบาสิก า, าผู้ฝ่ายธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันสุกร์ที่28พฤศจิกายนพุทธศักราช2557เป็นวันพระวันธรรมสวนาวันฟังธรรมเป็นวันที่พระบรมศ า, า, าสดา พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐแก่สามโลกได้มีคำสั่งให้พุทธบ ร, ริศัทสีได้หยุดการทำธุระต่างๆเพื่อให้มาทำธุระของตนธุระของเราคือใครเราคือใครเราก็คือใจ ส่วนคนอื่นคือใครคนอื่นก็คือร่างกายคนอื่นก็คือกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆตลอดระยะเวลาหกวันที่ผ่านมาเราไปทําทุราให้กับคนอื่นไปทําทุลาให้กับร่างกายด้วยการไปทํางานทําการหาเงินหาทองเพื่อที่จะได้เอามาเลี้ยงชีพ เอามาเสื้ออาหารเอามาจ่ายค่าเช่าบ้านจ่ายค่าน้าค่าไฟจ่ายค่าเสื้อผ้าจ่ายค่ายารักษาโรคนี่เรียกว่าทมเพื่อคนอื่นทำเพื่อร่างกายนอกจากร่างกายแล้วเรายังไปทำให้กับเจ้ากรรมนายเวรเราเอง ก, ก็คือตัณหาความโลภตัวนี้แหละเป็นตัวที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของเราอย่างแท้จริง ตัวนี้แหละที่เป็นตัวสร้างความทุกข์ใช้เราแบบไม่รู้จักหยุดจักย่อนใช้มาตั้งแต่เกิดจนถึงวันตายก็ยังไม่หยุดใช้ตายไปก็สั่งให้ใช้ให้ไปเกิดใหม่ให้ไปหาร่างกายใหม่เวลาอยู่ก็สั่งให้ไปหารูปเสียงกลิ่นรสพุทพะให้สั่งไปหายศฐาบรรดาศัรด์หาตำแหน่งอะไรต่าง ต้องเป็นใหญ่เป็นโตเป็นคนธรรมดาสามัญนี่มันรู้สึกไม่เท่ไม่ดีต้องมีตำแหน่งต้องเป็นผู้ใหญ่บ้านต้องเป็นกำนันต้องเป็นสมาชิกเทศบาลต้องเป็นนายกเทศบาลต้องเป็นสจเป็นสสเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรี เป็นในสิบเป็นในร้อยเป็นในพันเป็นในหมื่นเป็นในแสนนี่คือเจ้ากรรมนายเวรของเราเรารับใช้มันมันเป็นตัวบีบเราให้เราต้องทุกกับการสแสวงหาสิ่งต่างๆที่มันต้องการแต่เราหาให้มันมามากน้อยเพียงไรมันก็ไม่มีคําว่าพอมีแต่มีคําว่าเพิ่ม แทนที่จะ ว, ว่าพอมันไม่มีมันมีแต่คำว่าเพิ่มต้องมีเพิ่มมากขึ้นกว่า น, นี้อยางทำงานให้กับบริษัทปีนี้กำไรแค่นี้ปีหน้าต้องเพิ่มกำไรถ้าไม่เพิ่มกาไรนี่เรียกว่าไม่เจริญก้าวหน้าต้องเพิ่มไปเรื่อยๆคนที่รับคำสั่งก็เครียดต้องหาวิธีหาเงินหาทองหากาไร มาอยู่เรื่อยๆพอได้มาแล้วก็ต้องเครียดกับการรักษาแล้วพอสูญเสียไปก็เสียอกเสียใจนี่แหละคือเจ้ากรรมนายเวรของเราอย่างแท้จริงทุกวันนี้ที่เราทุกข์ก็ไม่ได้ทุกข์กับไข่ก็ทุกข์กับความโลภ ก, กับความอยากนี่เพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราว่าอย่าไปรับใช้ความโลภความอยาก ร่างกายก็ดูแลมันพอสมเหตุสมผลก็พอไม่ต้องเลี้ยงดูมันแบบพระราชามาหากษัตริย์ไม่ต้องกินอาหารมื้อเลือเป็นหมื่นเป็นแสนไม่ต้องใส่เสื้อผ้าชุดละเป็นหมื่นเป็นแสนไม่ต้องอยู่บ้านหลังล้าร้อยล้านพันล้านไม่ต้องอยู่โรงพยาบาลรักษาตัวตามหมอที่ อยู่วิเศษหมอวิเศษโรงพยาบาลเอ ก, กชนโครคภัยไข้เจ็บมันก็เหมือนกันทุกคนล่ะถ้ารักษาหายได้รักษาได้ที่ไหนมันก็มันก็หายเหมือนกันถ้ารักษาไม่ได้ที่ไหนมันก็รักษาไม่ได้เหมือนกันมันไม่ได้อยู่ที่หมออยู่ที่โรงพยาบาลมันอยู่ที่โรคโรคนี้พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่ามีอยู่สามชนิดด้วยกัน โรคชนิดที่หนึ่งก็คือเป็นแล้วไม่ต้องรักษามันก็หายได้หายเองได้เช่นเป็นไข้หวัดปวดท้องไม่ต้องกินยาก็ได้เดี๋ยวถ่ายออกมามันก็หายปวดแล้วเป็นไข้หวัดก็นอนพักผ่อนสามสี่วันไข้มันก็ลดหายไปแล้วนี่คือโรคที่เป็นแล้วหายเองไม่ต้องไปรักษาเหมือนโรคชนิดที่สอง ก็คือโรคที่เป็นแล้วต้องรักษาถ้าไม่รักษาก็ไม่หายโรคชนิดที่สามนี้พอเป็นแล้วรักษาก็ไม่หายไม่รักษาก็ไม่หายมีแต่จะต้องส่งให้สั ป, ปเปล่าเท่านั้นถึงจะหายพอส่งไปสั ป, ปเปลอก็ไม่ต้องไปโรงพยาบาลไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องไปหายา สับเหล่าจะรักษาด้วยการเอาเข้าเตาอบ อ, อบให้กลายเป็นขี้เถ้าไปนี่คือร่างกายของพวกเราที่พระพุทธเจ้าทรงสอนว่าอย่าไปยุ่งกับมันมากนะให้มีความมักน้อยสันโดษในการบริโภคขัดใจสีในใช้ปัญญาทุกครั้งพินิตพิจารณาเหตุผลของการใช้บริโภค การบริโภคปัจจัยสี่ว่ามีอย่างไรเช่นท่งสอนพระให้พิจารณาปฏิสังขาโยนิโสคือให้พิจารณาเหตุผลของการใช้ปัจจัยสี่เช่นเวลาจะฉันก่อนจะฉันก็ให้พิจารณาปฏิสังขาโยบินทะปาโตให้พิจารณาว่าอาหารบินทะบาทที่หามาได้นี้มาเพื่อมาเยิวยาร่างกาย มาดับความหิวที่เกิดขึ้นและป้องกันความหิวไม่ให้เกิดขึ้นในเวลาอันใกล้รับประทานเพื่ออยู่ไม่ได้รับประทานเพื่อกิเลสตัณหาถ้ารับประทานบบดับกิเลสตัณหาก็ต้องจู้จี้จุกจิกต้องอาหารชนิดนั้นอาหารชนิดนี้ <c oughs> ถ้ารับประทานตามที่พรเจ้าทรงสอนให้รับประทานก็คือ ห้ยินดีตามมีตามเกิดได้อะไรมาก็กินมันเข้าไปถ้ามันจูดด้จี้จุกจิกก็ต้องดัดนิสัยมันอย่าไปกินของที่อยากกินอย่าไปกินของที่ชอบกินให้กินของที่ไม่ชอบหรือถ้ามันทำไม่ได้ชอบก็เอาของที่ชอบกับของไม่ชอบมาปนกันเอาของขาวของหวานใส่ไปในบาศใส่ข้าวใส่แกง ใส่กับใส่ผลไม้ใส่ขนมเค้กใส่บัวลอยใส่กาฟงกาแฟใส่อะไรต่างๆที่มันจะเข้าไปในท้องน่ะใส่มันเข้าไปในบาศเพราะเดี๋ยวมันก็ต้องไปรวมกันในท้องไม่ต้องไปจัดลำดับว่าต้องกินอันนี้ลำดับที่หนึ่งอันนั้นลำดับที่สองเดี๋ยวพอมันเข้าไปในปากเข้าไปในท้องมันก็ไปรวมกันที่เดียว นี่คือวิธีกำจัดเรื่องจูจ้จี้จุกจิกวุ่นวายใจเกี่ยวกับการรับประทานอาหารคนมันเข้าไปครุกมันเข้าไปให้เป็นเป็นอาหารจานเดียวมีทุกอย่างลิ้มครบชุดหมดเลยทั้งของเกา่าของหวานผ ล, ลไม้ถ้ากินอย่างนี้ได้แล้วจะไม่มีปัญหากับเรื่องอาหารมีอะไรก็กินได้ นี่คือวิธีที่จะทำให้กินง่ายแต่ถ้ายังกินด้วยความอยากอยู่ก็ต้องคิดถึงสภาพของอาหารเวลาที่มันอยู่ในจานเป็นอย่างไรเวลาที่มันเข้าไปในปากผสมกับน้ำลายถูกเคี้ยวบดแล้วเป็นอย่างไรถ้าไม่เห็นภาพก็ลองคลายคลายมันออกมาดูกลายแล้วก็ตัดเข้าไปใหม่ ถ้ามันอร่อยในปากมันก็ต้องอร่อยในจานเมื่อมันอร่อยในจานเราก็ตักกลับเข้าไปในปากได้หรือเวลามันเข้าไปในท้องแล้วอาเจียนออกมาดูเนี่ยอาหารที่เราบูาพิถีพิถันจัดการถ้าเป็นแทบตายให้มันดูสวยสดงดงามผสมปรุงแต่งด้วยรสชาติย่างสุดฝีมือ ให้เป็นแบบระดับแชวชนชิมเลยแล้วดูเวลามันเจียนออกมาเป็นอย่างไรหรือเวลาที่มันถ่ายออกมาจากทวารหนักเป็นอย่างไรมันก็เป็นอาหารทั้งนั้นแหละทำไมเวลาเข้าไปในบาปนี่อยากรักมันชอบมันเวลาออกมาจากทวารหนักกลับไปโกรธไปเกลียดมันมันก็ของอันเดียวกันเราไปหลงมันเองเราไม่ใช้ปัญญา เราจึงต้องมาทุกกับเรื่องการรับประทานอาหารกันถ้าพิจารณาด้วยปัญญาแล้วเรื่องการรับประทานอาหารจะไม่มีปัญหาเลยวันไหนไม่มีอาหารรับประทานก็ไม่เดือดร้อนพิจารณาปฏิกูลพิจารณาความไม่สวยงามความสกปรกของอาหารคิดถึงมันก็ไม่อยากจะกินละหายอยากหายหิวนี่แหละธรรมะอาหารของใจเป็นอย่างนี้ มีธรรมะแล้วใจอิ่มใจอิ่มนะไม่เดือดร้อนไม่ต้องกินเป็นวันๆก็ได้ดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างไม่ได้กินต้อง49วันด้วยกันทำไมาท่านอยู่ได้ทำไมาพวกเราวันนี้วันพระเพียงแต่ไม่กินมื้อเย็นมื้อเดียวยังทำไม่ได้เพราะใจของพวกเราไม่มีธรรมะไม่มีความสงบไม่มีความอิ่มไม่มีปัญญา ไม่มีการดูอาหารว่าเป็นปฏิกูลกันถ้าเห็นอาหารเป็นปฏิกูลนี้มันกินไม่ลงมันไม่อยากกินนี่แหละคือวิธีต่อสู้กับเจ้ากรรมนายเวรของพวกเราคือตัณหาความอยากความโลภต่างๆที่มันจะคอยใช้คอยสั่งให้เราไปหาของต่างๆมาให้กับมันเช่นอาหารเป็นต้น อยู่บ้านกินอาหารก็เบื่อกินไม่ได้ต้องออกไปนอกบ้านต้องเสียเงินเสียทองมากกว่าอาหารที่ซื้อมาทำกินเองถ้าทถ้ากินแบบนี้ต่อไปเงินทองก็จะไม่พอใช้ไม่พอใช้ก็จะเดือดร้อนหาไม่ได้ก็ต้องหาวิธีที่ไม่ชอบนะเช่นไปโกหกไปหลอกคนอื่น พอยืมเงินทองของคนอื่นเขามาเสร็จแล้วก็ไม่อยอมใช้อยู่ดือด้อบอกไม่มีจะทำไมอพอไปเจอคนที่เขาโหดร้ายทารุณเขาก็ตบตีเอาทั้งนั้นจะทำไ ม, มนี่แหละเป็นการสร้างเวรสร้างกรรมสร้างความทุกข์ให้กับตัวเองถ้าทำตามความอยากถ้าทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้ว รับรองได้ว่าจะไม่มีเวรมีกรรมกับใครคำสอนของพุทธเจ้าคืออะไรก็ให้มากน้อยสันงเดินมากน้อยก็คือเอาน้อยน้อยอย่าเอามากเอาพอพออยู่พอประทังชีพกินข้าวไม่ต้องให้มันอินมมีพีมันอ้วนเป็นตุ่มไม่เกิดประโยชน์อะไรกลับเป็นโทษกับร่างกายเวลาอ้วนเป็นตุ่มนี่มันมีแต่โรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียน มีความดันมีเบาหวานมีเส้นโลหิตตันมีโรคภยัยไข้เจ็ต่างๆ ต, ต, ต้องไปหาหมอกินอยู่กิ น, ย, กกนยากินมักน้อยกินพอรู้สึกอิ่มก็หยุดกินเช่นเวลาเรากินไปกินไปพอรู้สึกว่ามันใจอิ่มยังไม่ทันอิ่มดีก็หยุดแล้วก็เดือมน้ำเข้าไปสักแก้วสองแก้วมันก็อิ่มแล้วร่างกายก็จะไม่อ้วน จะรักษาหุ่นรักษา ส, กสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงและเวลามาปฏิบัติธรรมก็ไม่ขี้เกียจไม่ง่วงเหงาเหานอนถ้ากินมากๆกินจนอิ่มท้องเวลากินเสร็จก็จะาหาแต่หมอนหาทางจงกรมไม่เจอหาที่นั่งสมาธิไม่เจออยากจะนอนอย่างเดียว นี่คือโทษของการรับประทานอาหารการบริโภคปัจจัยสี่โดยไม่ใช้ปัญญาพิจารณาให้รอบคอบเสียก่อนเวลาใช้เสื้อผ้าหรือห่มจีวรพระพุทธเจ้าก็ตัดว่าให้พิจารณาเหตุผลของการห่มจีวรเหตุผลของการใส่เสื้อผ้าว่าใส่ไปทําไมพระพุทธเจ้าบอกไม่ได้ใส่เพื่อเสริมความงาม ไม่ได้ใส่เพื่อเสริมบารมีนะเพราะว่าบารมีไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าความงามมันไม่ได้อยู่ที่เสื้อผ้าที่ให้ห่มเสื้อผ้าเพื่อจะได้ปกปิดอวัยวะร่นะางกายเวลาล่อนจ้อนมันหน้าดูที่ไหนถ้าไม่มีเสื้อผ้าอยากออกไปข้างนอกบ้านนี่เป็นอย่างไรนะที่ให้ใส่ก็เพื่อให้ปกปิดอวัยวะเพื่อไม่ให้ดูมันน่าเกลียดอุดจาตา เพื่อให้ป้องกันความเย็นป้องกันมแมลงสัตว์กัดต่อยต่างๆที่อาจจะมากัดมาต่อยร่างกายได้นี่คือสาเหตุของการนุ่งห่มเสื้อผ้าเพียะฉะเสื้อผ้าแบบไหนก็ได้ถ้าทำหน้าที่แบบนี้ได้ราคาถูกราคาแพงไม่สำคัญราคาแพงก็ทำหน้าที่เหมือนกัน ราคาถูกก็ทำหน้าที่เหมือนกันแล้วเรื่องอะไรเราต้องไปเสียเงินเสียทองให้มันวุ่นวายไปเปล่าๆทำไมเสียเงินทองไปก็ต้องไปหาเงินทองมาใช้ก็ต้องไปทำงานไปเหน็ดไปเหนื่อยอไปตากตรงแล้วถ้าเงินทองไม่พอใช้ก็ต้องหาโดยวิธีทาบาปโกหก บ, บ้างโกง บ, บ้างเพื่อที่จะให้ได้เงินทอง มาซื้อของแพงๆของสวยๆงามๆใส่มันไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่จะทำให้เกิดเป็นโทษเป็นการไปสร้างบาปสร้างกรรมสร้างเวรขึ้นมาโดยเปล่าๆถ้ารู้จักคำว่ามากน้อยเอาแค่ของถูกๆของพอใช้ได้ปกปิดอวัยวะได้ป้องกันความหนาวเย็นได้ก็พอแล้วแล้วก็ไม่ต้องมีมาก ล้นตู้เต็มตู้เอาแค่สองสามชุดก็พอชุดหนึ่งเอาไว้ใส่ชุดหนึ่งเอาไว้ซักชุดหนึ่งเอาไวส้ไวสำรองเผื่อซักแล้วไม่แห้งก็พอแล้วมีสามชุดนี้ก็อยู่ได้แล้วผ้าก็มีพระพุทธเจ้าก็มีเพียงผ้าหนึ่งไตหนึ่งไตก็สามผืนมีผ้านุ่งหนึ่งผืนผ้าห่มหนึ่งผืนผ้าห่มกันหนาวหนึ่งผืน มีแค่นี้ก็พอแล้วสำหรับเครื่องนุ่งห่มของพระไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายมีมากก็ต้องมาคอยดูแลรักษา<ม>เป็นภาระไปป่าป่าแล้วก็ต้องซักมากด้วย ม, มีหลายตัวก็ต้องซักหลายตัวมีไม่มากก็ซักไม่มากมนี่แหละคือการอยู่อย่างสุขอย่างสบายอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุข อยู่แบบไม่ต้องมาสร้างเวทสร้างกรรมอยู่แบบไม่ต้องมารับใช้กิเลสตัณหาต้องอยู่แบบนี้ทุกครั้งที่เราจะสวมใส่เสื้อผ้าให้เราพิจารณาให้รอบคอบก่อนเช่นเดียวกับที่อยู่อาศัยก็ให้พิจารณารอบคอบว่าที่อยู่อาศัยก็คือที่หลบแานหลบฝนหลบภัยอันตรายต่างๆไม่จําเป็นจะต้องเป็นบ้านราคาสิบล้านร้อยล้าน ไม่มีเงินซื้อบ้านก็เช่าเขาก็ได้ไม่มีเงินเช่าก็ไปอยู่ตามใต้สะพานก็ได้อยู่ที่ไหนที่มันพอหลบแดดหลบฝนได้ก็อยู่ไปไม่ช้าก็เร็วก็ตายเหมือนกันอยู่ในวังก็ตายอยู่ในข า, าราชรร้อยล้านพันล้านก็ตายอยู่ใต้ถุนอยู่ใต้สะพานก็ตายเหมือนกันไม่มีใครไม่ตาย เพราะฉะนั้นอย่าไปวุ่นวายอย่าไปเดือดร้อนกับการหาที่อยู่อาศัยอย่างของพระนี้พระพุทธเจ้าก็สอนว่าให้อยู่ตามโคนไม้ไปอยู่ตามป่าตามเขาเป็นที่เหมาะกับพระเพราะเป็นที่สงบสนัดวิเวกสามารถที่จะเจริญสัมมาธรรมปฏิบัติธรรมทำจิตให้สงบทำจิตให้หลุดพ้นจากกำนาของกิเลสตัณหา ความโลภความอยากต่างๆได้อยู่คนไม้อยู่ตามเงื่อผาอยู่ในถ้ำอยู่ตามเนิ น, เ น, นร้างอยู่ในป่าชา้าที่เหล่านี้แหละเป็นที่อยู่ของพระพุทธเจ้าของพระอาลหลนตสาวกทั้งหลายพระพุทธเจ้าพระอาลหลนตสาวกทั้งหลายท่านตัดสัลุท่านบรลุธรรมตามสถานที่เหล่านี้ ท่านไม่ได้ตัดสัูอยู่ในค า, าราหัดเรือละร้อยล้านพันล้านไม่ได้ตัดสัูอยู่ในพระบรมมหาราชวังไม่ได้ตัดสั้นอยู่ตามบ้านของศรัท ธ, ธายาบโยนท่านตัดสัูเพราะท่านไปปีกวเว้ท่านเป็นผู้สละเรือนแล้วท่านไม่กลับไปคลองเรืออีกต่อไปแล้วเป็นพระแล้วจะไม่ไปเหยียบจะไม่ไปนอนในบ้านของค า, าราหัด ของผู้ครองเรือนเพราะมันเสี่ยงต่อการผิดพระวินัยเสี่ยงต่อการกระทำสิ่งที่เสียหายได้นี่คือที่อยู่ที่เราควรจะพิจารณาว่าให้มันพิจารณาให้นอบ้อบว่ามันมีไว้เพื่อรักษาร่างกายของเราให้อยู่ไปวันๆนหนึ่งให้ปลอดภัยเท่านั้นเองสำหรับพระก็ ต้องเป็นที่สงบสงัดวิเว้เพราะหน้าที่ของพระนี้มีเพื่อทำใจให้สงบทำใจให้สงบทำใจให้เกิดปัญญาเพื่อจะได้หลุดพ้นจากการเป็นทาตของเจ้ากรรมนายเวรคือทาตของกิเลส ต, ตัณหาเพื่อที่จะได้ดับภพบชาติตัดภพชาติยุติการเวียนว่ายตายเกิด จมเป็นที่จะต้องไปอยู่ที่ห่างไกลจากแสงสีเสียงที่ยั่วยวนกวนใจที่คอยตกให้เกิดกิเลสตัณหาขึ้นมาพอไปทําตามกิเลสตัณหาก็จะทำให้ใจร้อนขึ้นมาทำให้ผ้าร้อนขึ้นมาแล้วในที่สุดทนไม่ไหวก็ต้องเปลี่ยนผ้าจากผ้าจากผ้าจีวรไปสวมใส่กางเกงใส่เสื้อ เพราะไม่ไปอยู่ตามสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้อยู่กันชอบไปอยู่ตามสถานที่ที่ทำให้เกิดกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆกันพอเกิดแล้วก็ทำให้ใจร้อนใจร้อนมากๆทนไม่ไหวก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนอาชีพจากการเป็นนักบวชก็ต้องกลับมาเป็นคารวะผู้ครองเรือน แล้วก็ต้องัาทุกข์กับการทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงทอง้องวุ่นวายกับปัญหาต่างๆอย่างไม่มีจบไม่มีสิ้นทางนี้ไม่ใช่เป็นทางไปสู่การดับทุกข์แต่เป็นการไปสู่การมีความทุกข์เพิ่มมากขึ้นคนฉลาดไม่ไปทางของคารวสคนฉลาดจะไปทางของนักบวช คนโง่เท่านั้นน่ะที่จะไปทางของคาลาวานคนโง่จะไม่ไปทางของพระพุทธเจา้าจะไม่ไปทางของพระสาวกทั้งหลายเพราะกลัวความทุกข์ยากลำบากแต่ไม่รู้ว่าความทุกข์ยากลำบากต่างๆเหล่านี้เป็นเหมือนเห็นรับมีดความทุกข์ยากลำบากนี่แหละที่จะทำให้เกิดปัญญาที่จะทำให้เกิดขันติบารมี เกิดความอดทนผู้ใดถ้าไม่มีความอดทนไม่มีปัญญาความรู้ควา ม, ลวามฉลาดจะไม่มีวันที่จะยุติการเวียนว่า้ตายเกิดได้ต้องมีขันติบามีต้องมีปัญญาบามีต้องมีความทุกข์ยากลาบากมารบอกมีทุกบอกมีปัญญาบอกเกิด มานบอกมีบารมีบอกเกิดบา ร, รมีก็คือขันติบารมีคนที่จะมาทางนี้ต้องไม่กลัวความทุกข์ยากลำบากต้องชอบต้องเห็นคุณค่าว่าเป็นของมีค่าเหมือนกับคนที่รับมีดจะต้องเห็นคุณค่าของหินรับมีดถ้าไม่มีหินรับมีดรับมีดมันทื่อฟันอะไรไม่ได้ฟันอะไรก็ไม่ขาด เหนื่อยไปเปล่ า, าเสียเวลาไปประปาผู้ใดถ้าไม่ได้เผชิญกับความทุกข์ยากลบาบากผู้นั้นจะไม่มีขันติบารมีผู้นั้นจะไม่มีปัญญาบาลมีเมื่อไม่มีขันติไม่มีปัญญาจะไม่มีเครื่องมือเครื่องแผดเผากิเลสขันตินี่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเปรียบเหมือนกับไฟไฟแผดเผากิเลสตัณหาปัญญาเป็นเหมือนมีด มีที่จะฆ่าที่จะตัดศีสษะของกิเลสตันหาถ้าเราไม่มีปัญญาไม่มีขันติเราจะไม่มีวันที่จะฆ่าฆ่าศึกศัตรูของพวกเราได้ไม่มีวันที่จะฆ่าเจ้ากรรมในเวรของเราได้คือกิเลสตันหาต่างๆที่มันคอยสร้างความทุกข์ให้กับเราอยู่ตลอดเวลาเราจึงต้องไปอยู่ในที่กั n ดา n ที่อดอยากขาดแคลนดูพระพุทธเจ้าดูพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายเป็นตัวอย่างท่านไม่ได้อยู่แบบสุขอย่างสบายท่านอยู่แบบทุกข์ยากลำบากแต่ผลที่ก็ได้รับจากการอยู่แบบทุกข์ยากลำบากก็คือได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการแก่การเจ็บการตาย ได้บรรลุถึงพระนิพพานบร ม, มสุขขังบารมังสุขขังไม่ต้องกลับมาแก่มาเจ็บมาตายอีกต่อไปนี่แหละเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้พวกเรามาทาให้กับพวกเรากันทาให้กับใจของเราเพราะเราอยู่ที่ใจเราไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเวลาร่างกายตายไปเราไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เพราะเราอยู่กับใจเราไปกับใจแต่เราจะไปแบบไหนก็อยู่ที่ว่าตอนที่เราอยู่เราทำอะไรกันอยู่ถ้าเราทำตามอำนาจของกิเลสตัณหาทำบาปทำกรรมเราก็จะไปสู่อบายถ้าเราทำตามคำสอนของพระุทธเจ้าทำบุญทำทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิเดินจงกรม จเจริญปัญญาวิปัสนาตายไปแล้วก็จะไปสู่สุขติไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆเริ่มต้นตั้งแต่สวรรค์ชั้นเทพแล้วก็ขึ้นสู่สวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็ขึ้นสู่สวรรค์ของพระอริยบุคคลสวรรค์ของพระโสดาบันพระสกิดาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์พระ พ, พุทธเจ้าตามลำดับต่อไปนี่แหละ เป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้เราทำาด้ไปกันคือไปสู่พระนิพพานไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆด้วยการยุติการรับใช้กิเลสตัณหาสักหนึ่งวันอันนี้ให้ทำหนึ่งวันก่อนเพราะว่ายัางไม่มีกำลังมากพอทำไปแล้วต่อไปมีกำลังมากได้ผลจากการทำ มากก็จะเกิดกำลังที่อยากจะทำเพิ่มมากขึ้นก็จะเพิ่มเป็นสองวันจากสองวันก็เป็นสามวันเดี๋ยวต่อไปก็ทำได้เจดวันพอทำได้เจ็ดวันก็ออกบวชได้อยู่แบบนักบวชได้พออยู่แบบนักบวชปฏิบัติแบบนักบวชไม่นานก็หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าเจ็วันบ้าง เดเดือนบ้างหรือเจ็ดปีบ้างเป็นอย่างมากจะต้องได้อย่างแ น, น่นอนดังนั้นขอให้พวกเร า, าพยายามหยุดการทํางานเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายเกี่ยวกับเรื่องของกิเลสตัณหาแล้วมาทํางานเกี่ยวกับเรื่องของจิตใจของเรามาทําบุญทำทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมมาฟังเทศฟังธรรม แล้วเพิ่มวันให้มีเพิ่มมากขึ้นจากหนึ่งวันก็เป็นสองวันจนทำได้ทุกวันรับรองได้ว่าถ้าทำอย่างนี้ผลก็จะต้องเกิดเหมือนกับผลที่เกิดกับพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายเพราะเหตุกับผลนี้เป็นอาการทโกไม่เสื่อมไปตามการตามเวลามีเหตุที่ตรงไหนเวลาใดมีผลที่เวลานั้น ทำปั๊บมันก็จะได้ปุ๊บเลยเหมือนกับเราเปิดสวิตเปิดสวิตไฟเราเปิดปั๊บไฟก็ติดเลยไม้ว่าจะเปิดวันนี้หรือเปิดพรุ่งนี้หรือเปิดเมื่อวานนี้มันก็มันก็ติดเหมือนกันเพราะเหตุกผลมันเป็นอย่างนี้ฉันใดถ้ามีการปฏิบัติตามคำสอนของรพรอพทธเจ้ามากผลนี่ผานก็ย่อมปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอน จึงขอฝากเรื่องของการมาทำธุระของพวกเราหยุดการทำธุระให้แก่คนอื่นสักหนึ่งวันเพื่อที่ใจของเราจะได้พัฒนาขึ้นไปจากขึ้นไปตามระดับขึ้นไปตามสวรรค์ชั้นต่างๆไปจนถึงพระนิพพานในที่สุดการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้